ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเปลี่ยนแปลงตนให้พ้นทุกข์ตอนที่สองโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่11กรกฎาคม2547ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ พอดีคราวที่แล้วเราฟังกันค้างเอาไว้นะพูดถึงจิตเมตตาทำจิตเมตตาให้มากขึ้นใช่ั้มก็พูดไปแล้วทำจิตกรุณาให้มากขึ้นก็พูดไปแล้วคราวนี้ก็จะมาขึ้นเธอจงทำจิตมุทิตามากขึ้นยินดีด้วยในสุขของผู้อื่นเพราะเมื่อมีมุทิตาอยู่ก็จะละความไม่ยินดีได้ อันนี้เราได้ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะละเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาฟังกันมาเยอะมากแต่จริงๆแล้วมุทิตาเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่นะใช่ไหมเท่าเท่าที่โดยทั่วๆไปเมตตานี่พูดมากที่สุดเอาให้เมตตากันหน่อยสิคำว่ากรุณาก็พูดน้อยลงนะใช่ไหมเราจะได้ยินได้ฟังน้อยลงยิ่งมุถิตานี่ก็เหมือนกัน ก็ไม่ค่อยมีคนพูดมากหรอกทั้งๆ ท, ที่ในสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอ้มุธิตานีละเอียดอ่อนนะแล้วก็ในชีวิตจริงๆของคนเราเนี่ยจะเจออันนี้มากเลยมุธิตานี่ถ้าถ้าแปลเอาความจะแปลว่ายังไงมุธิตามุธิตาอั น, นเนี้ยเนี่ยพระเจ้าท่านกระตัดว่า ให้ยินดีด้วยในสุขของผู้อื่นใช่ไหมมันมีคาอยู่คำหนึงที่เรียกว่าเป็นตรงังข้ามกับบุธิตาเนี่ยคือคำว่าคือคำว่า ก, ก็ก็ไม่ยินดีด้วยอะ่ะที่คนอื่นมีความสุขหรือหรือคนอื่นได้ดีเนี่ยคือคำว่าอะไรภาษาไทยใช่ป่ะอะไรลิสยาจะได้ยินบ่อย พอพูดถึงลิษยาเนี่ยเรารู้สึกว่าเออลิษยาเนี่ยรู้สึกว่ามันใกล้ชิดนะ ช, ชักใกล้ชิดเรามากขึ้นแล้วนะเพราะความเป็นจริงคนเราเนี่ยลิษยากันมากกิเลสตัวเนี้ยมีเกือบทุกคนแหละถ้าใครไม่ปฏิบัติธรรมแล้วรู้จิตรู้ใจตัวเองได้ดีจริงนะคุณไม่ทันเลยคุณลิษยาคนอื่นโดยไม่รู้ตัวส่วนว่าเราจะอ้างเหตุผลยังไงนะอีกเรื่องหนึ่งนะ แต่อันนี้ผูดให้ฟังในแง่ของของริษยาเนี่ยคำว่าริษยาเนี่ยถ้าถ้า ถ, ถ้าแปลแปลเป็นไทยก็คือเนี่ยไม่ยินดีด้วยที่คนอื่นเขาได้ดีเนี่ยคนอื่นเข า, เ อ, าอะไรอะไ ด, ดได้ดีมาเขามีความสุขมีความเจริญอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกไม่ชอบไม่ไม่อะไรอะไม่รู้สึกดีใจไปด้วยอะเราไม่รู้สึก หรือเขาแปลอีกอย่างว่าลิสยาก็คืออดทนไม่ได้ที่คนอื่นเขาได้ดีโดยเฉพาะเราไม่ได้แล้วคน อ, อื่นได้จิตอันเนี้ย เ, เป็นเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดอ่อนขึ้นแล้วขนาดอาตมาเองนะอันนี้ก็เหมือนกับสารภาพบาปบางทียังรู้สึกอยู่เลยจริงๆสอนคนก็สอนมาเยอะแล้วแต่ยังจับจิตตัวเองได้เลยว่า เออบางทีมันยังขึ้นขึ้นมาเลยนะไอจิตที่แบบอิสาหรือริษยาเนี่ยมันจะขึ้นจะขึ้นมาอยู่เพียงแต่โชคดีตรงเราปฏิบัติทำ ม, มาเราจับได้มาเอาอีกแล้วมาอีกแล้วไอเจ้าปีศาจตนนี้นี่มาอีกแล้วมันมากับความมืดโชคดีที่จับได้แล้วก็เลยเอารีบพยามปรับพยายามแก้จิตตัวเอง คือจะไม่ปรุงต่ออัตมา ถ, ถึงถึงถึงได้บอกว่าโอ้โหรู้สึกว่าตัวเนี้ไม่ง่ายเลยที่จะทามุทิตาจิตให้กับคนอื่นส่วนใหญ่เนี่ยที่จะทํากันนะนะพอพอจับอารมณ์จิตได้นะส่วนใหญ่บางทีก็ใช้สมถะเลยใช้สมถะคือคือจับได้แล้วปะ่ะเอะเราไม่ค่อยดีใจด้วยเลยที่คนอื่นเขาได้ดีนะหรือบางทีเอาเนี่ยพูดง่าย เอาง่ายๆนะพ่อแม่บางทีชมลูกเงี้ยอชมพี่เราหรือว่าชมน้องเราอะบางครั้งอะจิตมันยังน่ะสมัยก่อนนะนี่พูดย้อนไปสมัยก่อนบางทียังรู้สึกได้เลยว่าทีเราไม่ชมม้างเลยแหมทีนะ่เน่ะพี่เราหรือน้องเรายิ่งบางทีคนอื่นน่ะไม่ใช่พี่น้องเรานะคนอื่นน่ะดูซิแหมชมใหญ่ที่เราเนี่ยอยู่ตั้งนานทำไม่นานทำไม่ดีก็แหมเหน็ดเหนื่อยลาบากตั้งเยอะแ ย, ะ, ยะมากมาย ไม่ค่อยชมเราเลยคนอื่นมาไม่กี่วันทำดีให้เห็นไม่กี่ทีชมใหญ่มันมันเริ่มลวมันเริ่มขึ้นแล้วมันเริ่มทำงานแล้ะไอจิตตัวลิสยาถึงบอกว่าอันเนี้ยถ้าใครไม่ไวแล้วก็ไม่ทันนะจับไม่ค่อยได้หรอกแล้วมันก็จะปรุงไปเรื่อยเลยมันจะคิดไปเรื่อยคราวนี้ก็จะฟุ้งไปสิเพราะว่าลิษยาเนี่ยเป็นอากุศลจิตพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยคราวนี้ สิ่งต่างๆที่คิดหรือเหตุผลต่างๆที่ตามมาก็จะเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยพูดง่ายอะเอามาแก้ตัวเราแล้วหรือก็เอามาดับดับไอ้ความอะไรอะความไม่ยินดีความไม่ชอบใจของเราส่วนใหญ่จะเป็นเหตุผลที่บางทีจะใช้การดูหมินเขานะส่วนใหญ่นะเท่าที่อาตมาสังเกตแม้แต่ตัวเองหรือแม้บางทีบางคนคนอื่นะ มาคุยด้วยมาอะไรด้วยเนี่ยสังเกตได้เลยว่าจะใช้วิธีการที่เรียกว่าคลายจิตของตัวเองนะโดยที่เรียกว่าโธ่ในคนนี้จริงจริงมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะมันก็อะไรสู้เราอย่างงั้นก็ไม่ได้สู้เราอย่างยี่ก็ไม่ได้คือคือคิดเหตุผลในใจตัวเองนะคิดแบบขมเขาเนี่ยขมเขาอยู่ในใจนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนอื่นเขาชมคนนี้อยู่เราก็พยายามคิดโน่นคิดอ น, นี่มาแบบว่า กดข้อไว้กดข้อไว้นะแล้วก็ยกเราขึ้นมากดเขาเนี่ยก็คือยกเราขึ้นมาว่าเราเนี่ยเหนือกว่าอยู่ในใจยิ่งคนที่มีจริตนิสัยที่เชื่อมั่นในตัวเองนะนะว่าตัวเองนี่ก็แน่คนนึงละเก่งคนนึ่งล ะ, ง ค, นนงละความรู้สึกริษยาเนี่ยจะเกิดได้ง่ายมากบอกคุณได้เลยเพียงแต่บอกแล้วว่าจะจับได้ทันไหมเท่านั้นเองเกิดง่ายจริงๆเลยนะพับพับพับ พ, บพบ โต่บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยนะบางครั้งเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้หรือฟังวิทยุก็ได้โอ้โหเขาชมคนนั้นอย่างงั้นอย่างนี้ น, นนะบางทีเราฟังแล้วเนี่ยเผลอเลยนะบางคนจับไม่ทันเนี่ยคือจริงๆเราเราเกิดจิตที่ไม่ยินดีด้วยกับเขาแล้วแล้วเราก็รู้สึกไม่ไม่ชอบใจด้วยบางทียังหลุดปาดพูดเลยหลุดปาดพูดแบบแบบแบบแบบว่าเขาอะแบบแบบ กดข่มเขาลงมาคือไม่ไม่ให้คนอื่นเนี่ยเห็นดีด้วยกับเขาหลุดไปเลยโดยไม่รู้ตัวหรอกอเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผู้เจ้าถึงถึงบอกว่าต้องสร้างจิตที่มุทิตาเนี่ยให้มากขึ้นท่านใช้คำว่ามากขึ้นทั้งหมดเนี่ยทุกอันเลยท่านจะใช้คำว่ามากขึ้นจริงๆคนเราก็มีจิตมุทิตาอยู่แต่ส่วนใหญ่จะมีจิตมุทิตากับใครกับคนที่เรารัก กับคนที่เราศรัทธากับค น, คนที่เรายกย่องเชื่อถืออันเนี้ยเรามักจะแหมมีจิตยินดีด้วยที่เขาได้ดีแต่กับคนที่เราอ่ายิ่งไม่ชอบใจหรือคนที่เราพูดง่ายๆว่าว่ากำลังแข่งกันอยู่อะกาลังแข่งกันอยู่นะโดยจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามยิ่งฐานะไล่เรียกันอ่อะไรนะ ชื่อเสียงความความมีฝีมือกำลังทัดเทียมกันอยู่นะกำลังเป็นมาที่อะไรอะ่ะกำลังจะเข้าวินด้วยกันนะนะปรากฏว่าคราวนี้แหละจิตอย่างเงี้ยจะเกิดง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าท่านต้องตรัสว่าให้สร้างจิตมุทิตาให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราสร้างจิตมุทิตานี่มากขึ้นเนี่ยมันจะลดตัวอิจฉาริษยาเนี่ยลง แล้วมันก็จะทำให้แบบว่ายินดีที่คนอื่นเขาได้ดีเนี่ยมันจะยอมได้จริงๆไม่งั้นโดยกิเลส ข, ของคนเราเนี่ยไม่ยอมหรอกใครอะ่ะจะไปดูหมิ่นตัวเองแล้วก็ไปอะไรอะ่ะกดตัวเองให้ต่ำกว่าคนอื่นืหายากใครจะไปพลิกล็อกแบบนั้นส่วนใหญ่ยังน้อยๆก็ไม่รู้ละไอ้นี่อาสู้เขาไม่ได้ แต่ถ้าไอ้นั่นแล้วก็ชั้นเหนือกว่าแกนะก็จะต้องมีอย่างเนี้ยยกขึ้นมาจนได้เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยแมอะไรอะไรก็สู้เขาไม่ได้ไปหมดทุกอย่างเลยอะไรก็ด้อยกว่าหมดมันน่าน้อยใจจริงเอ่ยมันจะโหดผูแล้วมันจะห่อเหี่ยวใจเพราะฉะนั้นคนโดยทั่วไปเนี่ยก็เลยมักคิดว่าเอ้ยเราก็ต้องมีอะไรอ่ะ มีความแน่มีความเก่งมีความอะไรที่เราต้องเหนือกว่าเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นความภาคภาคูมิใจไงเขาใช้สำนวนนี้ใช้ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจจะได้รู้สึกว่าแหมค่อยสุกสดชื่นหน่อยไม่อย่างนั้นจะรู้สึกว่าโหหอยเหี่ยวเหลือเกินอะไรก็สู้เขาไม่ได้ไปซะหมดทุกอย่างเลยณเวลามีคนยกย่องสรรเสริญหรือเชิดชูอะไรก็ไปที่เขาหมดที่เราไม่มีเลย อย่างเนี้ยบางคนก็จะหมดกํำลังใจเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าต้องอาศัยพวกเนี้ยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันก็มี น, นั้นมี น, นี่ดีกว่าแกนะเนือกว่าแกนะเพื่อที่จะยกตัวเองขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าอย่างเนี้ยทําให้มีกําลังใจทําให้นั้นทำให้นี่หรือมีชีวิตอยู่ได้อย่างสดสดชื่นได้บ้างมักจะหลอกตัวเองแบบเนี้ยแต่ความเปจริงเนี่ยใครไปทําจิตไว้อย่างนี้แหละ มันจะยิ่งทำให้ดูนะท่านบอกว่าว่าถ้าสมมุติว่าถ้าไม่ทำจิตยินดีหรือว่าคนอื่นเขามีความสุขเขามีความดีมากขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่สร้างจิตให้ยินดีไปกับเขานะจะทำให้คนนั้นเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายว่าเศร้าหมองจะเป็นคนที่หลงตัวเองจะเป็นคนที่อะไรอะ่ะหงุดหงิดลาคาญอะไรก็ได้ง่ายเพราะอะไรเพราะ ในสัจจะในความเป็นจริงของชีวิตมันก็ต้องมีคนที่เหนือกับเราคนที่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้กว่าเราเราไม่ดีไปหมดซะทุกอย่างหรอกหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้เก่งจนเหนือใครต่อใครเขาเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยก็จะพยายามพอจับอารมณ์จิตที่มันอิจฉาริษยานี้ได้เนี่ยจะรีบปรับแก้แตอนนี้ เวลาแก้จิตตัวนี้แหละเนี่ยที่สําคัญอยู่ที่ตรงนี้คนที่ไม่ระวังจิตเนี่ยนะมันจะปรุงไปเรื่อยปรุงไปแล้วอย่างที่บอกอะ่ะจะกดข่มเขาจะอะไรเขาเพื่อที่ให้จิตตัวเองรู้สึกดีขึ้นแต่คราวนี้พอเราจับได้สิแล้วเราก็รู้ละอย่างแี้เป็นความอิจฉาริษยาคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นคุณจะปรับแก้ยังไงอ่ะที่จะทําให้ไม่ใช่พอปรับแก้่ออ้เขาเหนือกว่าเราเขาดีกว่าเราเพราะฉะนั้นก็ แม่เราต่ําต้อยเพราะฉะนั้นเราอะไรอ่ะกดหัหอเหี่ยวใจถ้าคุณปรับไม่เป็นคุณจะเหี่ยวใจลงมานะเพราะนั้นต้องปรับให้เป็นด้วยตอนนี้จะปรับยังไงที่ถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกเราเนี่ยมักจะบอกกันบ่อยๆว่าถ้าใครมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วน่าจะมีตาบะ จะมีศีลกี่ข้ อ, อยังไงก็ตามแต่คนนั้นปฏิบัติแล้วดูที่ตัวเองเท่านั้นพยายามอย่าเอาไปเปรียบเทียบหรืออย่าไปไปอะไรอ่ะดูคนน้นคนนี้ว่าเขาจะเป็นอย่างง้นอย่างนี้จะยังไงจะดีกว่าเราหรือจะแย่กว่าเราอะไรคุณไม่ต้องไปพิจารณาอะไรพวกนั้นมากเลยไม่ต้องเลยให้พิจารณาแต่ตัวเองเนี่ยให้มากส่วนว่าถ้าคนอื่นเนี่ยเขาได้ดีได้ดียังไง เราก็ตัดลอบไปเลยว่าเออเขาดีก็ดีแล้วนะให้เร า, เาสร้างเป็นกุศลจิตไปนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบเรากับเขาอตมาเคยเล่าให้ฟังว่าอตมาโชคดีที่เคยจริงๆจิตอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแต่โชคดีตรงที่เรียกว่ า, าพ่อแม่นโยมเนี่ยเขาชม ญาติญาติมาอยู่ที่บ้านอายุไล่เลี่ยงกันเขาชมคนนั้นว่าขยันอย่างนั้นขยันอย่างนี้เรานึกอยู่ในใจว่าพี่จริงเราก็ขยนันเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยชมเราอะชมแต่ญาติญาติคนเนี้ยเออแต่ดีตรงที่เรียกว่าพอเกิดจิตอย่างนี้จริงๆ จ, จิตลิษยาเกิดแล้วแต่ก็แบบว่าจะเอาชนะเขาโดยที่เรียกว่าจะต้องขยันให้เหนือกว่าเขา จะขยันให้เหนือกับเขาคือจะเอาเอาเอ า, เอาความที่ดีกว่าเขาเนี่ยเอาชนะเขายังโชคดีนะแต่ถามว่าอย่างนั้นนะจิตยังลิสยาไหมจิตยังลิสยาอยู่ก็ยังอยากจะเอาชนะเขาซึ่งยังจะเป็นทุกข์ได้เพราะถ้าคราวไหนขยันสู้เขาไม่ได้เขานั่นก็ทุกข์เพราะเขาก็ได้รับความชมอีกแต่คราไหนเนี่ยเราขยันกว่าเออคนอื่นชมเรามั่งคนนี้ก็นาบาน ตอนนี้ก็น่าบานไปแต่เห็นแม้อย่างเนี้ยถึงแม้ว่ามันยังโชคดีที่ว่ากลายเป็นไปแข่งดีกับเขาพูดง่ายแต่ไม่พ้นทุกแข่งดีแบบนี้ไม่พ้นทุกเดี๋ยวยางจะต้องเจอทุกยิ่งถ้าไปไปามาเนี่ยโอ้โหสู้เขาไม่ได้เลยเขาเนี่กูยิ่งจะเป็นปมด้อยเลยจะเป็นปมดอยอยู่ในใจเลยว่าเราไม่มีทางสู้เขาได้เลยถ้าเป็นคนที่ นิสัยไม่ดีหรือนิสัยเลวนะคราวนี้แหละใจยังไงมันก็ไม่ยอมเราดูหนังดูละครจะเห็นได้เยอะเลยว่าเวลาที่เราอิจฉาริษยาใครไปแล้วเนี่ยแล้วพูดง่ายๆว่าแข่งดีกับเขาไม่ได้แล้วสู้เขาไม่ได้พูดง่ายส่วนยายจะทำยังไงคราวนี้จะโกงจะแกล้งจะ ทำร้ายหรือจะอใส่ร้ายจะอะไรคนอื่นเขานี่นี่คือคนที่จิตเริ่มเสียแล้วจิตเริ่มเร็วไม่ได้แข่งดีแล้วนะอย่างนี้แข็งเร็วแขงเร็วเพื่อที่จะให้แบบว่าเพียงแค่ว่าคนอื่นเนี่ยหลงเข้าใจผิดแล้วก็คิดว่าเราดีกว่าเขาเท่านั้นเองแต่อันนั้นเป็นคนที่เรียกว่าจิตแย่แล้จิตเร็วอย่างนักปฏิบัติธรรมที่เรามาปฏิบัติธรรมในที่นี้ เราไม่อยาบไปถึงขนาดนั้นหรอกแต่คุณลองไปสังเกตดูแล้วคุณจะเห็นพวกเราเนี่ยไม่อยาบไปถึงขั้นลงไม้ลงมือไปกันแกล้งไปอะไรใครเขาพวกเราไม่ถึงขั้นนั้นมาปฏิบัติธรรมในนี้แต่มีจิตลิษยาเนี่ยยังมีอยู่นะ่ยิ่งใครไม่ค่อยระวังอาตมาบอกเราจะมีแล้วก็จะหลุดคำพูดอยู่บ่อยๆโดยไม่รู้ตัวด้วยให้สังเกตดู ง, ง่ายๆได้าบางที เวลาเราประชุมกันหรือไม่ได้ไประชุมก็ได้คุยกันนอกรอบเนี่ยแหละแต่ปาบอกว่าคนอื่นเนี่ยนะเขาชมคนนี้ใช่ไหมเรา่ีบางทีเถียงคอเป็นเอ็นเลย <c oughs> จริงๆก็เราไม่เห็นด้วยเลยแล้วเราก็ไม่ชอบด้วยที่คนนี้จะมาชมคนนั้นอย่างนั้นอันนี้มุมหนึ่งนะหรืออีกมุมหนึ่งอาจมาจะพูดมุมตรงข้ามอีกมุมหนึ่งคือ เขาไม่ใจชมคนนี้หรอกเขาว่าคนนี้อันนี้ยิ่งเผลบ่อยเลยพอเขาว่าคนนี้ใช่ไหมจริงๆเนี่ยจิตเรามีลิสยาอยู่แล้วคุณฟังดูดีดนะคนนี้จริงๆอยากอัดเขามานานแล้วหละหรืออยากจะเล่นงานเขามานานแล้วพอมีใครมาว่าคนนี้นี่เอาเลยอะไรผงชุรสซีอิ๊ว <laughs> <laughs> พริกกิงขาตะไคร้โอ้โหใสใหญ่เลยคนนี้ เต็มที่เลยเนี่ยเราไม่ทันรู้จิตเราไม่ทันระวังใจเราพอมีใครเนี่ยมาว่าคนที่เราเกลียดอยู่แล้วเราไม่ชอบอยู่ใจอยู่แล้วนะเราก็เติมไข่เติมเนื้อเติมเลือดเติมอะไรเข้าไปใหญ่เลยเพื่อที่จะเรียกว่าเอาให้แซบเอาให้แซบนเพราะเนี่ยเนยคือสภาวะจิตที่มัน เป็นลักษณะของคนที่ไม่สร้างมุทิตาจิตเท่านั้นเลยแล้วก็ตามจิตตัวเองไม่ทันด้วยเป็นบ่อยนะอันนี้อาตามาบอกได้เลยเพราะอาตามาเองเนี่ยจึงบอกว่าไม่ได้ไปต้องเที่ยวไปดูคนอื่นเลยก็จากที่ปฏิบัติทำมาแล้วก็ดูตัวเองเนี่ยยังเห็นเลยว่าโอ้โหตัวนี้เนี่ยมันจะเผลอไม่ได้นะเผลอมันจะมาทันทีนะเผลอมันจะมาทันทีเลยอืมบางครั้งอะ่ะอา้า คนชมว่าอ้าวสมณะรูปนี้ท่านเทศดีนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเทศสู่เราได้แล้วเนี่ยยังจะมีแบบแบบแแ บ, บขึ้นมาได้เลยคุณอ่าอาจามาต้อบอกโอ้โหถ้าคุณไม่ไวจริงนะคุณจับไม่ทันหรอกเออแล้วบอกว่ายิ่งถ้าไม่ทันนะวัจีกรรมจะหลุด <S <S บางครั้งนะมีสติมีสติรู้แล้วนะว่าเอ้ยไม่ค่อยดีนะจีจังยิ่งไม่ค่อยดีนะ แต่ไม่วายนเนี่ยที่ท่านใช้คําว่ า, าลิษยาเนี่ยคืออดทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยมันจริงๆเลยนะทั้งๆที่รู้นะคราวนี้รู้นะว่าเอเขาชมอันนี้นี่จริงๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ก็ดีแล้วอ่ะ mm. เพราะบางทีอา่าวสมมติว่ายกมาทางสมณะก็แล้วกันว่าอ่า ก, ก็ท่านกับพูดดีอยู่ในอันนี้ยแต่อดทนไม่ได้คําว่าอดทนไม่ได้ที่จะเห็นเ้าดีเหนือกว่าเราเนี่ย บางทีมันอดไม่ได้นะแวบแวบขึ้นมาเสร็จก็ท่านก็เทศดีอยู่ลอยู่ล็อกแต่นั่นมาเลยเชียร์ไอ้แต่เนี่ยจะมาเลยเชียนะแล้วเดี๋ยวก็ต้องพูดอะไรที่แหมเนี่ยต้องต้องตัดขาเก้าอี้ลงหน่อยนะอย่าให้สูงอะไรต้องตัดให้เตี้ยๆลงหน่อยท่านที่อาจมาถึงถึงได้บอกว่าอันเนี้ยมันต้องจิตละเอียดขึ้นละคุณต้องไวจริงๆแล้วคุณจะจับได้ถ้าไม่ไวเนี่ย คุณมีจิตลิสยาขึ้นมาแล้วคุณก็ตามไม่ทันมันจะหลุดไปอยู่เรื่อยๆแหละเพราะนั้นอันนี้ต้องถึงขั้นมีหูทิปฟ์ฟังดูนะต้องมีหูทิฟ์แยกเสียงหนึ่งแยกเสียงสองได้ไม่ใช่แยกที่คนอื่นนะไม่ใช่เขาด่ามาแล้วก็มาแยกเขาชมมาแล้วก็มาแยกอันนั้นอันนั้นก็อย่างหนึ่งละแต่ที่พูดนี่หมายถึงว่าเราต้องแยกเสียงในใจเราเนี่ยอันดับหนึ่ง เสียงในใจเราที่มันพูดขึ้นมาพูดในในตัวเราเนี่ยนะสมมติยังไม่หลุดมาเป็นวจี ก, กรรมนะมันคิดขึ้นมาไงามันคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะบอกออกมาเลยว่าอ่ะให้บอกอย่างนั้นให้พูดอย่างนี้แล้วพอคุณจับได้ว่า อ, อ่ออานี่เนี่ยเสียงสองอย่างเงี้ยโผล่ละในจิตเรามันโผล่ขึ้นมาแล้วนะมันอยากจะหักขาเก้าอี้เขาละเนี่ยอันเนี้ยเราจับได้เนี่ยคุณต้องรีบทันทีเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ปล่อยออกไปไม่ได้ คืนปล่อยอย่างนี้ออกไปนี่แสดงว่าเราปล่อยกิเลสเราเพิ่มอีกแล้วกิเลสเราออกไปโชยอีกแล้วอย่างเงี้ยต้องจับให้ทันถ้าใครระวังอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะมาขวนขวายที่จะตั้งมุทิตาจิตเพราะพอมีสติรู้ตัวเนี่ยจะคอยเตือนตัวเองว่าเออเออคนอื่นเขาชมคนนี้ว่าดีก็ก็อนุโมทนากับเขานะยินดีไปด้วยกับเขาคาคาว่า โมธนาหรืออนุโมธนาเนี่ยก็คือพรอยยินดีด้วยคําว่าโมธนาหรืออนุโมธนาแปลว่าพรอยยินดีด้วยหัดตรงนี้ต้องฝึกหละซึ่งถ้าคุณหัดพรอยยินดีด้วยเนี่ยคุณกำลังสร้างจิตมุทิตาขึ้นมาแล้วคนที่สร้างจิตมุทิตาได้เนี่ยจิตที่เราเคยไม่ชอบคนนั้นคนนี้เคยถือสาอย่างนั้นอย่างนี้จะลดลงเรื่อยๆเลยจิตอันนี้จะมาล้างเนี่ย ล้างอะไรท่านบอกว่าเนี่ยจะละความไม่ยินดีได้เพรา ะ, ะ น, นคุณไม่ยินดีเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณไม่ยินดีในคนนั้นคนนี้นะถ้าคุณสร้างบุติตาจิตอันนี้มากขึ้นมากขึ้นมันจะล้างไปเรื่อยล้างไอ้ความไม่ยินดีความไม่ชอบใจความถือสาอะไรต่างๆที่เรามีในใครก็ตามน่นจะโดน ล, ล้างลงไปล้างลงไปล้างลงไปโดยที่จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องพูดกับคนนั้นก็ได้นะไม่ต้องคุยกับคนนั้นก็ได้นะเนี่ยแต่เราก็ ปรับจิตเราเรื่อยปรับจิตเราเรื่อยกับใครก็ตามเราก็สร้างบุติตาไปเรื่อยสร้างบุติตาไปเรื่อยอย่าว่าแต่คนเลยบางทีแมวมั่งหมามั่งนะมาเหา่ามาหอนอไอแมวไม่ใช่เห่าหอนแล้วนะ <c oughs> แมวมาร้องเงวเงียวอะไรก็แล้วแต่ออบางทีอะดูซิเห็นไหมเรายังไม่สร้างจิตบุติตาเลย <c oughs> เ อ, อบางทีมันหุดหงิด ลำคาญไม่ชอบใจอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นแล้วบอกแล้วเดี๋ยวก็ปรุงไปเรื่อยปุงไปเรื่อยว่าบางทีก็ต้องหัดบางครั้งหมามันก็ทำดีเหมือนกันนะแมวมันก็ทำดีบ้างเหมือนกันนะหัดอันเนี้ยทั้งทั้ง ท, ง ท, งที่บางทีบางครั้งจริงว่าคนคนนั้นเนี่ยดีเขาสมมุติว่าดีเขามีสักสองส่วนไอ้ที่เขาทำไม่ดีเนี่ยสัก8ส่วนถ้าคิดตามความเป็นจริงเนี่ย คิดตามความเป็จริงเราก็จะเห็นไม่ดีเขาเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่ามันมีทั้งแปดส่วนน่ะแต่ดีเนี่ยบางทีเราจะเห็นสักสองส่วนแต่ถ้าคุณจะหัดสร้างจิตมุทิตานะแปส่วนนั้นยกไว้ก่อนไม่ต้องไปคิดไม่โดยปรุงมากมันเห็นอยู่แล้วแหะถึงคุณไม่คิดไม่ปรุงมันก็เห็นอยู่นะไอแ8ดส่วนที่เขาทําไม่ดีแต่ตอนนี้คุณจะหัดสร้างจิตมุทิตาสองส่วนเนี่ยที่คุณเห็นเพียงแค่2ส่วนเนี่ยคุณหัด อาจมาพิจารณาว่าเออคนนี้มีดีตรงนี้นะคนนี้ชอบอู้ชอบขี้เกียจหนีงานเลี่ยงงานนะแต่ปรากฏว่าคนนี้เนี่ยโอ้พอเวลาอไอนะมาฟังเทศฟังธรรมรู้สึกโอ้เขาขยันมาฟังนะแต่ชอบอู้ชอบขี้เกียจอยู่เรื่อยเลยแหมมาขยันจ้างฟังธรรมเนี่ยนะแต่พอทําการงานช่วยเหลือเพื่อนฝูงทําอะไร อ้อยู่เรื่อยเลยกิเกยียจอยู่เรื่อยเลยซึ่งเราเห็นอยู่แต่ว่าเอา้าฟังธรรมมันดีไหมละ่ะดีอย่างน้นนอยก็เออเขาฟังธรรมก็ดีในอันนี้เพราะฉนั้นเราก็พยายามเนี่ยทุ่มจิตของเราลงไปในสองส่วนของเขาที่เขามีส่วนที่ดีถ้าคุณไม่ฝึกอย่างนี้นะอาตมาถึงบอกว่าถ้าตามเหตุผลอันนี้พูดตามเหตุผลโธเอ๋ยก็คุณเห็นไม่ดีมากกว่าดีอะแล้วอย่างเนี้ย คุณจะละไอความไม่ชอบใจคนนี้ลงไปได้ไหมถ้าคุณมองตามความจริงอย่างนี้อยู่ตลอด ค, คุณลถไม่ลงหรอกมันยิ่งยิ่งเห็นนานวันนานปีนานเดือนเข้าก็ยิ่งมันไส้มากขึ้นเรื่อยๆคนนี้รับรองเลยมันถึงบอกมันไม่ใช่วิธีแก้จิตไงวิธีแก้จิตถึงบอกว่าไอแปรส่วนคุณต้องยกไว้ก่อนคุณเห็นอยู่แล้วแหละแต่คุณไม่ต้องมาปรุงคุณไม่ต้องมาคิด เพราะคนเราเนี่ยก็แปลกอาตมาบอกแล้วมันมีจิตลิษยาอยู่ลึกๆด้วยเพียงแต่คุณจะรู้ทันหรือเปล่าโดยกิเลส ข, ของเราเองมันชอบมองเห็นคนอื่นเนี่ยผิดผิดพลาดพามากกว่ามองเห็นคนอื่นเนี่ยทำดีกว่าเราเนี่ยคือกิเลสที่มันแฝงอยู่ในตัวเราถึงบอกว่าถ้าคุณพยายามจับตรงนี้ทันยกยกไว้ก่อนไอ้ที่จะพูดง่ายๆนะจะมองแต่ที่ผิดของเขาซึ่งมันมีมากเนี่ย ซึ่งถ้าคุณเอาแต่มองตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเพ่งโทษโดยคุณไม่รู้ตัวอ่าแล้วมันจะเพิ่มโทษไปเรื่อยๆโทษไปเรื่อยๆพราะจะแก้จิตอย่างนี้ได้ถึงบอกว่ายกไว้ยกไว้ไอ้ไอ้แปดส่วนนั้นยกไว้ก่อนนะรู้แล้วล่ะว่าเขาไม่ดีมามองสองส่วนนี้ให้มากขึ้นพยายามพิจารณาพยายามพิจารณามันถึงจะพอคลายจิตคลายใจคุณได้แล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกว่าเอ้ยถ้าพิจารณาอย่างนี้ มันก็ไม่เป็นความจริงไงสิ <c oughs> ใช่ไหมเอา้าจะให้พิจารณาแต่ดีอ่ะแล้วไอ้ใบดีเขาอ่ะบอกแล้วคุณไม่ต้องพิจารณาหรอกเพราะไอ้ตอนนี้มันหมันไส้เหลือเกินอยู่แล้วละ่ะคุณขึ้นไปพิจารณาตรงใบดีของเขาอีกกับคุณไปเพิ่มไอ้มุมลบไปเรื่อยๆเพราะมุมลบมันเยอะไงเพราะตอนนี้เราต้องการลบไอม้ ม, ไอมุมลบเนี่ยไอ้มุมลบเนี่ยลงมา เพราะฉนั้นคุณก็รู้อยู่แล้วมันติดลบอยู่แล้วอะ่ะก็ก็หยุดไปก่อนไอ้ติดลบเนี่ยมาพิจารณาด้านบวกให้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะแก้จิตของเราเองแก้จิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปเกียดชังไม่ให้ไปลิษยาไม่ให้ไปถือสาอะไรเขามากนักเพราะฉะนั้นถึงต้องสร้างมุติตาจิตให้มากขึ้นพระเจ้าถึงได้ใช้คำนี้ว่าต้องให้มากขึ้นทุกวันนี้อาตมาเองก็บอกตรงๆก็ยังมีเลยนะ ไอความรู้สึกที่บางทีก็ไม่ค่อยชอบใจบางคนก็ยังมีแต่มีแล้วก็พยายามเนี่ยมันมันคือมันพอจะรู้ตัวแล้วศึกษาธรรมะเนี่ยมันก็พยายามแก้จิตตัวเองแก้จิตตัวเองบางทีเขาก็ยังทำไม่ดีอยู่อย่างนั้นนะเราก็พยายามแก้จิตตัวเองเออปล่อยเขาก่อนปล่อยเาก่อนเราเอาเราเอ า, เอาประโยชน์ตนของเราแก้จิตเราให้ได้ก่อนอย่า ง, งน้อยๆเนี่ยเราอย่าไปรู้สึกไม่ดีกับเขา ให้เรารู้สึกยินดีกับเขาให้ได้ที่เออไอจุดนี้เขาทำดีแม้ไอจุดโน้นเขาไม่ดีเรายกไว้ก่อนอย่างเงี้ยมันก็ทำให้จิตเราเนี่ยเริ่มค่อย ค, อยคอยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยทำเถอะแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องของมุติตาเนี่ยมากขึ้นแล้วคุณจะเห็นความสำคัญของมุติตาเลยว่าโอ้แก้จิตได้จริงจริง